แสดงหมวด4แห่งยานความรู้ที่สข้อ412หน้า267บุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออกอย่างไรจิตนั้นเป็นชนิดคือวิญญาณจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวจิตคือมณะ มานัตฮัทไทปันดารมานายตนะมนินรเซวิญญาณวิญญาณอกขันมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก่จิตนั้นนี้ชื่อว่าจิตวิญญาณจิตด้วยสามารถลมหายใจออกยาวจิตคือมานะมานัตฮทไทปันดารา มนายัตนะมเนนสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก่จิตนั้นนี้ชื่อว่าจิตด้วยสามารถเป็นผู้ระงรับจิตตะสังขารหายใจเข้าจิตคือมณะมานัตหาทัยวันดะระมนายัตนะมเนนสี วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก่จิตนั้นนี้ชื่อว่าจิตด้วยสามารถเป็นผู้ระ ง, งับจิตตสังขารหายใจออกจิตคือมณะมานัฐหไยัยวันดละมนายตนะมะนินรีวิญญาณ วิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก่จิตนั้นนี้ชื่อว่าจิตจิตปรากฏอย่างไรคือเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมัน่นจิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมันจิตนั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเมื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งจิตนั้นย่อมปรากฏจิตนั้นย่อมปรากฏอย่างนี้วิญญาณจิตด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัจานายาน จิตปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้พร่นั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิตคำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไร พิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อว่าภาวนาด้วยอัดว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศีละวิสุท ธ, ธิด้วยอัดว่าเป็นผู้รู้แจ้งจิตสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน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 เราจักยังจิตให้เบิกบานหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้เบิกบานหายใจออกอย่างไรก็ความเบิกบานแห่งจิตเป็นไนคือเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเบิกบานความบันเทิงความหัรษา ความร่าเริงแห่งจิตความเพิ่มจิตความดีใจเมื่อรู้ความวิจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเราหมายใจออกยาวความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเบิกบานความบันเทิงความหันษาความร่าเริงแห่งจิตความเพิ่มจิตความดีใจเมื่อรู้ความวิจิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟงชั่นด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกความเบิกบานแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นความเบิกบานความบันเทิงความอันสาความร่าเริงแห่งจิตความปลื้มจิตความดีใจนี้ชื่อว่าความเบิกบานแห่งจิตวิญญาณจิตด้วยสามารถ เป็นผู้ยังจิตให้เบิกบานหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัชนาญาณจิตปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต คำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อว่าภาวนาด้วยอัดว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าสิละวิสุทธิด้วยอัดว่ า, เ ป, เ, ว า, วววาเป็นผู้ยังจิตให้เบิกบานสํารวมลมหายใจเข้าลมหายใจออก เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้ยังจิตให้เบิกบานหายใจเข้าหายใจออกบุคคลเมื่อรู้ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่างจังกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ414หน้า269 บุคคลย่อมจำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าย่อมจำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกอย่างไรก็สมาธิเป็นจไหนคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกยาวเป็นสมาธิ ความนิจจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยความเป็นผู้ตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกเป็นสมาธิความตั้งอยู่ความตั้งอยู่ดีความตั้งมั่นความไม่ขัดแย้งความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความมีใจไม่ขัดแย้งความสงบสมาธินสีสมาธิภาระสัมมาสมาธินี้ชื่อว่าสมาธิ วิญญาณจิตด้วยสามารถเป็นผู้ตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัสนายานจิตปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นด้วยยานนั้นดังนี้เพราะเห็นนั้นท่านยังกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นจิตในจิต คำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อว่าภาวนาด้วยอดว่าเป็นที่ซ่องแสบชื่อว่าศิลวิสุทธิด้วยอดว่าเป็นผู้ตั้งจิตไว้มั่นสํารวมลมหายใจเข้าลมหายใจออก เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้ตั้งจิตไว้มัน่นหายใจเข้าบุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าแลนะแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ415หน้า270บุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักเครื่องจิต หายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจักเบื้องจิตหายใจออกอย่างไรคือบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจักเบื้องจิตจากราคะหายใจเข้าจากเบื้องจิตจากราคะหายใจออกจากเบื้องจิตจากโทสะหายใจเข้าจากเบื้องจิตจากโทสะหายใจออกจากเบื้องจิตจากโมหะหายใจเข้า จากเรื่องจิตจากโมหะหายใจออกจากเรื่องจิตจากมานะจากเรื่องจิตจากทิฏฐิจากเรื <quiz os. S 1> ่องจิตจากวิจิกิจฉาจากเรื่องจิตจากธีนมิทะจากเรื่องจิตจากอุทจฉาจากเรื่องจิตจากความไม่ละอายจากเรื่องจิต จากความไม่สะ่ด้งกลัวบาปหายใจเข้าจากเครื่องจิตจากความไม่สะ่ด้งกลัวบาปหายใจออกวิญญาณจิตด้วยสามารถความเป็นผู้ เ, เรื่องจิตหายใจเข้าหายใจออกปรากฏคําว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างไรพิจารณาเห็นจิตนั้นอย่างนี้ คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อว่าภาวนาด้วยอัจว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศิลวิสุทธิด้วยอาจว่าเป็นผู้ปเปลืองจิตสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้ปเปลองจิตหายใจเข้าบุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลง เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำเป็นประโยชน์คือความสงบอนุปัสนาญาณ8อุปัฏฐานานุสติ8จุดตันติกาวัตถุในการพิจารณาจิตในจิตสี่